วันนี้ก็ขอกล่าวถึงเกี่ยวกับเรื่องกรรมกรรมต่อไปข้อเรื่องกรรมกรรมถ้าได้กรรมตรดกตานี่ก็ชีวิตเนี่ยสําเร็จไปครึ่งหนึ่งแล้วละเพราะชีวิตของเราส่วนไหนบ้างที่ไม่เกี่ยวข้องกับกรรมข้อความในธ น, น, นัญชาณิสูตรคําว่าธนัญชานีเนี่ยเป็นเป็นตำแหน่งะนะเป็นตําแหน่งตําแหน่งหนึ่ง อ, อ่านในใจปดีโยจะเจอบอกว่าธนัญชานีธนัญชานีบ่อยๆอันนี้เพราะมันเป็นตําแหน่ง พระพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเวลวันสวนที่ใช้เลี้ยงกระแตเขตพระนครราชครึกครั้งนั้นแลท่านพระสารีบุตรเที่ยวจาริกไปในทักคินาคีรีชนบทพร้อมด้วยภิกษุสองหมู่ใหญ่ครั้งนั้นภิกษุรูปหนึ่งจำพรรษาอยู่ในพระนครราชครึกได้เข้าไปหาท่านพระสารีบุตรถึงทักคินาคีรีชนบทได้ปราศัยกับท่านพระสารีบุตรครั้นผ่านการปราศัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้ว นั่งหน้าพี่ควรส่วนข้างหนึ่งท่านพระสารีบุตรได้ถามพิสูจนั้นว่าท่านผู้มีอายุพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ทรงพระประชวรและยังทรงพระกำลังอยู่หรือคล้ายๆกับพระองค์เนี่ยประทับอยู่ที่เมืองราชครือึ้พิสูจจากเมืองราชเครืึ้ไปหาพระสารีบุตรก็ถ่ายถามถึงพระผู้มีพระภาคก่อน ภิกษุนั้นกล่าวเปลียนว่าถ้าผู้มีพระภาคเจ้าไม่ทรงพระประชวนและยังทรงพระกำลังอยู่ท่านผู้มีอายุภาษารียบุตรก็กล่าวว่าท่านผู้มีอายุก็ภิกษุ ส, สงฆ์ไม่ป่วยไข้และยังมีกำลังอยู่หรือภิกษุรูปนั้นก็ตอบว่าภิกษุสงฆ์ก็ไม่ป่วยไข้และยังมีกำลังอยู่ท่านผู้มีอายุคําว่าผู้มีอายุแปลว่าอาวุโสแปลเป็นบาลีก็คืออาวุโส สมัยที่พระผู้มีพระภาคยังไม่ดับขันปริญิพานทุกคนคุยกันนะพระทุกรูปจะคุยกันก็คือใช้คําว่าอาวุโสหมดเลยแปลว่าผู้มีอายุว่าไงาท่านผู้มีอายุแต่พอพระผู้มีพระภาคจนจะดับขันปริญิพานพระองค์ให้กล่าวว่าพระผู้มีพรรษาน้อยพูดกับพระผู้มีพรรษามากให้ใช้คําว่าพันเตแปลว่าท่านผู้เจริญพระที่มีพรรษ า, า ม, มากพูดกับพระผู้มีพรรษาน้อยใช้คําว่าอาวุโสแปลว่าผู้มีอายุ ผูมีอายุเนี่ยไม่ได้แปลว่าแกกว่านะแต่ว่าเป็นคําค้า่ะให้เกียรติหน่อยนะท่านพระสารีบุตรก็เลยถามต่อไปว่าแม้ธนัญชานิพราม์ก็ไม่ป่วยไข้และยังมีกําลังอยู่หรือก็ถามถึงโยมคนหนึ่งอ น, นะซึ่งเคยสนิทกันมากกว่าอนกันพิสุรุมนั้นก็ตอบว่าแม้ธนัญชานิพราหม์ก็ไม่ป่วยไข้และยังมีกําลังอยู่ท่านผู้มีอายุแล้วก็ถามต่อไปว่าอเออท่านผู้มีอายุธนัญชานิพราหมยังเป็นผู้ไม่ประมาะหรือ เขาเป็นยังไงเขาประมาทหรือเปล่าทุกวันเนี่ยพิสุรุปนั้นก็ต่อว่าที่ไหนได้ท่านผู้มีอายุวันธนัญชานิพราหมณ์ของเราจะไม่ประมาทเพราะเขาอาศัยพระราชาก็คือแปลว่าที่ไหนได้ผู้มีอายุธนัญชานิพราหมณ์จะไม่ประมาทเหมือนกันตอนนี้เขาประมาทมากเขาอาศัยพระราชาเที่ยวปล้นพวกพราหมณ์และครหบดีอาศัยพวกพราหมณ์และครหบดีปล้นพระราชา ภรยาของเขาผู้มีศรัทธาซึ่งนำมาจากสกุลที่มีศรัทธาทากาละเสียแลว้วเขาได้หญิงอื่นมาเป็นภรยาหาศรัทธามิได้เขานำมาจากสกุลที่ไม่มีศรัทธาทุกวันนี้ประมาทมากอาศัยพระราชาปล้นชาวบ้านปล้นพรามปล้นเครือ่บดีเขาทำยังไงเขานี่เป็นเจ้าหน้าที่เก็บภาษีก่อนพระราชาบอกอ้าวได้เวลาไปเก็บภาคหลวงนาละ ภาษีต่างๆนะที่นาเก็บข้าวเปลือกอย่างเงี้ยพอไปถึงปั๊บบอกว่าปีนี้หลวงมีความจำเป็นต้องการของเพิ่มา ง, งั้นกว่าจะรีบรัพพ์เพิ่มเยอะขึ้นอ่ะนะทีนี้พอมาถึงปั๊บแบ่งเข้าบ้านเหลือไปเข้าวังหน่อยนึงก็บอกปีนี้ฝนไม่ดีพระเจ้าค่ะไม่ได้รีดไทยมารอกแบบ ง, งั้นใช่ว่าเขาเรียกว่าอาศัยพระราชาไปปล้นชาวบ้านอาศัยชาวบ้านไปปล้นพระราชา แล้วก็ภรรยาที่เคยมีศรัทธามีกรร ม, มสกตาศรัทธาเชื่อบุญเชื่อกรรมก็ตายนี้จากไปแล้วก็ได้ภรรยาอีกคนหนึ่งซึ่งไม่มีศรัทธาไม่ได้เชื่อบุญเชื่อบาปอะไรสักอย่างก็ไปมันปีเป็นคุยเลยอะ่ะเพั้นคนรอบข้างมีความสําคัญมากว่าคนนั้นจะเจริญกุศลได้ดีหรือไม่ดีถ้าหาว่ามีคนที่คอยขวางอยู่ตลอดเนี่ยการเจริญกุศลก็ค่อนข้างยาก ท่านภาษาริบุตรก็เลยกล่าวว่าท่านผู้มีอายุเราได้ฟังว่าธนัญชานิพราหมณ์เป็นผู้ประมาทเป็นการได้ฟังชั่วหเนอะทำไนเราจะพึงได้พบกับธนัญชานิพราหมณ์บางครั้งบางคราวทำไนะจะได้พึงเจรจาปราศัยการสักข้อน้อยหนึ่งทำยังไงนะจะได้มีโอกาสคุยกับเขาสักหน่อยไง ครั้งนั้นท่านภาษารีบุตรอยู่ในทักคิณาคิรีชนบทตามควรแล้วจึงหลีกจาริกไปในพระนครราชครึกเที่ยวจาริกไปโดยลําดับถึงพระนครราชครึกแล้วได้ยินว่าสมัยนั้นท่านภาษารีบุตรอยู่ณพระวิหารเวลวันส่วนที่ใช้เลี้ยงกระแตกใกล้พระนครราชครึกครั้งนั้นเวลาเช้าท่านภาษารีบุตรนุ่งแล้วถือบาทและจีวรเข้าไปยังพระนครราชครึก สมัยนั้นธนัญชานิพราหมณ์ใช้คนให้รีดนมโคอยู่ที่โคโคภายนอกพระนครท่านภาษารีบุตรก็เที่ยวบินธบาตรปในนครราชเครือพายหลังพัดกลับจากบินธบุรแล้วก็เข้าไปหาธนัญชานิพราหมณ์ถึงที่อยู่ธนัญชานิพรามณ์ได้เห็นท่านภาษารีบุตรกําลังมาแต่ไกลจึงเข้าไปหาท่านภาษารีบุตรและได้กล่าวว่านิมนต์ดื่มน้ํานมสดทางนี้เถิดท่านภาษารีบุตรท่านยังมีเวลาฉันอาหาร มนชันนมสดก่อนส า, ารีบุตรก็กล่าวว่าอย่าเลยพราหม์วันนี้อาตมาทำพัฒกิจเสร็จแล้วจากพักกลางวันที่โคนต้นไม้นูน้นก<อ>็บอกฉันเรียบร้อยแล้วจะไปพักที่โน่นนะเพราะฉะนั้นท่านพึงมาในที่นั้นจะไปคุยกันหน่อยว่งงางั้นทนัญชาญิพราหมณก็รับคําท่านพระสารีบุตรแล้วครั้งนั้นทนัญชานิพราหมณ์บริโภคอาหารเวลาเช้าเสร็จแล้วได้เข้าไปหาท่านพระสารีบุตรได้ปราสายกับท่านพระ สารีบุตรครั้นผ่านการปราสายพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วจึงนั่งหนะ้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งท่านภาษาบุตรได้ถามธนัญชานิว่าท่านเป็นผู้ไม่ประมารหรือถามตรงๆ ร, งรงเลยเป็นไงประมาทไหมทุกวันเนี่ยเจริญกุศลอยู่หรือเปล่าธนัญชานิพราหมณ์ก็ได้ตอบว่าข้าแต่ท่านภาษาบุตรที่ไหนข้าพเจ้าจะไม่ประมาทเพราะข้าพเจ้าจะต้องเลี้ยงมารดาบิดา ก็คือแปลว่าต้องประมาทหรือไ ง, งเพราะต้องเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ต้องเลี้ยงบุตรภรรยาต้องเลี้ยงพวกทาสกรรมกรคนรับใช้ต้องทํากิจสําหรับมิตรและอมาตะแก่มิตรและอมาตะต้องทํากิจสําหรับญาติสาโลหิตต้องทํากิจสําหรับแขกแขก่แขกต้องทําบุญที่ควรทําแก่ปุพพะเปตชนส่งไปให้ปุพพะเปตชน ต้องทําการบวงสวงแก่พวกเทวดาต้องทําราชการให้แก่หลวงแม้กายนี้ก็ต้องให้อิ่มน้ําต้องให้เจริญแบบนั้นโอ้เหตุผลในความประมาทนี่มอกว่างั้นพลานาได้หยดย้อยเลยนะทําไงลูกก็กำลังเรียนอยู่อะไรคล้ายๆลักพาณิชเนี่ยจะไม่ประมาทได้ยังไงฮ <Okay. S 1> ก็คือการประมาทก็คือการปล่อยใจไปกับบาปอากุศลนั่นเองปล่อยให้ใจเป็นไปกับบาปอากุศลหมกมุ่นอยู่ในการมคุณห้า หรือว่าการทำทุจริตอย่างใดอย่างหนึ่งก็ชื่อว่าประมาทแล้วภาษารียบวกก็กล่าวว่าธนาญชานี้ท่านจะเข้าใจความข้อนั้นเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ไม่ประพฤต์ชอบทำประพฤติผิดธรรมเพราะเหตุแห่งมารดาบิดานายนิรยบาลจะพึงฉุดคร่าเขาผู้นั้นไปยังนรกเพราะเหตุแห่งการประพฤติไม่ชอบธรรมเพราะเหตุแห่งการประพฤติผิดธรรม เขาจะพึ่งได้ตามความปรารถนาหรือว่าเราเป็นผู้ไม่ประพฤติ ช, ชอบธรรมประพฤติผิดธรรมเพราะเหตุแห่งมารนาบิดาขอนายนิรยาบาลอย่าพึ่งฉุดข่าเราไปนรกเลยโอ้ยที่ไปทำบาปทำกรรมมากับพ่อพ่อพ่ อ, พอแม่แล้วทำไมทำพ่อแม่ก็ไม่มีกินอย่างเงี้ยนะนานิรยาบาลเขาฟังเราไหมหรือว่าพ่อแม่ของผู้นั้นน่ะ น, นะพ่อแม่ไปช่วยอ้อนวอนนายนิรยาบาลว่า บิดามารดาของผู้นั้นจะพึงได้ตามความปรารถนาว่าผู้นี้พึงเป็นผู้ประพฤติไม่ชอบธรรมประพฤติผิดธรรมเพราะเหตุแห่งเราข อ, อนายนิรยาบาลอย่าพึ่งฉุดคร่าเข้าไปในโลกเลยว่างั้นเขาทาพ่อแม่นะว่างั้นสงฆ์เขาหน่อยพอนพอนหน่อยได้ไหมหรือว่าอย่าไปให้บาปเลยถ้าเป็นเราเนี่ตอบว่าไงธนัญชานีก็บอกไม่เป็นอย่างนั้นท่านภาษารบุตร ที่แท้ถึงผู้นั้นจะคร่ำควรวญมากมายนายนิรยาบาลก็จะพึงโยนลงนรกจนได้นั่นแหละสรุปแล้วไม่มีเหตุผลเขาอ้างหรอกท่านนะ <c oughs> ก็ปรารีบทท่านก็ฉลาดนะท่านไม่พูดเองอ่ะนะให้เขาตอบเองอ่ะนะให้คนเขาทําเนี่ยเขาตอบเองด้วยเหตุผลของเขาอ่ะนะว่าที่ยุติธรรมจริงๆอะ่ะมันคืออะไรคือสมัยที่เรียกว่าเป็นกาลสมบัติอนะนะเป็นสมัยที่คนมีสติมีปัญญามีบุญมีอะไรได้ ไปอยู่ใกล้เคียงกันนะนะเพื่อที่จะช่วยสงเคราะห์อนุเคราะห์แก่กันทีนี้ท่านพระสารีบดีก็ถามต่อไปว่าธนาญชานี้ท่านจะเข้าใจความข้อนั้นเป็นชนัยบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ประพฤติไม่ชอบธรรมประพฤติผิดธรรมเพราะเหตุแห่งบุตรและธรยานายนริยาบาลจะพึงฉุดคร่าผู้นั้นไปนะรกเพราะเหตุแห่งการประพฤติไม่ชอบธรรมและประพฤติผิดธรรมเขาจะพึงได้ตามความปรารถนาหรือหนอว่าเรา ประพฤติไม่ชอบธรรมประพฤติผิดธรรมเพราะเหตุแห่งบุตรและภริยาข อ, อนายนิรยาบาลอย่าพึ่งฉุดคร่าเราไป น, นรกเลยหรือว่าบุตรและภริยาของผู้นั้นจะพึงได้ตามความปรารถนาว่าผู้นี้ประพฤติไม่ชอบธรรมประพฤติผิดธรรมเพราะเหตุแห่งเราทั้งหลายาข อ, อนายนิรยาบาลอย่าพึงฉุดค้าเขาไป น, นรกเลยนะเขาเป็นสามีที่ดีนะเขาโกงเขาก็โกงมาเลี้ยงดูลูกหรอกเงีัยคล้ายๆอย่างเงี้ย พอนอนน้อยนะมันอย่าเอาไปนรกลึกๆเลยอย่างเงี้ยทาได้ไหมไม่เช่นนั้นท่านภาษารีบุตรที่แท้ถึงผู้นั้นจะขําครวนมากมายนายนิรยบาลก็จะพึ่งโยนลงในนรกจนได้ที่เอาสูตรนี้มากล่าวเพราะว่าทุกวันนี้ไปที่ไหนก็ตามทุกคนก็จะมีเหตุผลที่ตัวเองจะหมกมุ่นอยู่กับบาปกับอกุศลตลอดทุกคนก็จะให้เหตุผลว่ามีเหตุผลนที่ฉันทำชั่วเขามีเหตุผลหมดเลย ไม่มีใครที่ไม่มีเหตุผลนะจะ ก, กินเหล้าสักมือหนึ่งก็ยังมีเหตุผลเนี่ยผ่อนคลายบ้างสร้างสารรค์บ้างสังคมบ้างอะไรบ้างอ่ะนะเอาเหตุผลมาจนได้นั่นแหละจนทำชั่วจนได้อ่ะนะนี่เหตุผลของเขาเหล่านั้นเนี่ยก็เป็นเหตุผลที่เขาเขาไว้หลอกตัวเองเขาเขาจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนใจแต่ว่าในเหตุผลอันนั้นเนี่ยนะถ้าให้คนอื่นเป็นคนตัดสินอันนั้นเนี่ยคนอื่นเขาก็ต้องปฏิเสธ ตัวของเขาเองก็เหมือนกันนะถ้ามีตัวคนสองคนเนี่ยนะถามกันด้วยความบริสุทธิ์ใจเนี่ยสมมติว่ามีมีคนสองคนใช่ไหมถามมาสมมติเอ๊ะที่ฉันทําเนี่ยบุญหรือบาปสมมุติเหมือนกับตัวเองเลยอีกคนหนึ่งไปตอบเลยบาป <c oughs> บุญบุญอย่างเงี้ยดีมันก็ตะขิดตะขวงใจใช่ไหมดงนั้นถ้าหากว่าคนที่มีความซื่อสัตย์แต่ตัวเองเนี่ยสา ม, มารถที่จะฟอกตัวเองได้ถ้าหากว่าซักฟอกตัวเองไม่ได้ กรรมสกตาก็เกิดไม่ได้เช่นเออที่พูดนี่เป็นกุศลหรืออกุศลถ้าหากว่าจิตขณะนั้นเป็นอกุศลบอกกุศลกุศลถ้าอย่างนี้ก็กรรมสกตาก็ก็ขาดแล้วใช่ไหมก็แสดงว่ามีความเข้าใจผิดว่าจะเอาอกุศลเนี่ยไปให้ผลเป็นถูกอีกใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าเราถามเองตอบเองว่าเออที่ทำนี่เป็นกุศลหรืออกุศลจิตมันตอบเลยนะมันรีบตอบมันกลัวบาปบอกกุศลกุศลบอกเออถ้ากุศลมันจะให้ไปเกิดสวรรค์ชั้นไหน มันตอบไม่ได้นะมันมันมันไม่ใช่กุศลจริงๆอ่ะใช่ไหมถ้าเป็นกุศลจริงๆปั๊บเนี่ยนะมันค่ะค่ะกับน้อมไปในภพใดก็ได้น้อมไปเกิดเป็นมนุษย์ที่ดีน้อมไปเป็นเทวดาชั้นต่างๆอะไรก็ได้แต่ที่นี้มันเป็นอาคุศลปั๊บจิตมันก็จะเกิดทฮริโอตาปะเกิดขึ้นอ่ะเอ๊จิตจริงๆขนาดนั้นเป็นอาคุศลนี่ใช่ไหมถ้าหากว่าผู้ที่ศึกษาพระธรรมมาแล้วก็ก็ทั่วไปเนี่ยนะเหมือนกับที่เราไปถามใคร่ะ เอ้ขนาดนี้เป็นกุศลหรือเป็นอกุศลเห็นไหมเห็นดอกไม้นี่เป็นกุศลหรืออกุศลคนทั่วไปก็บอกเอ้ฉันก็ไม่ทําบาปอะไรนี่ใช่ไหมเนี่ยเห็นดอกไม้เป็นกุศลหรือเป็นอกุศลแล้วแต่ใจไทยใช่ไหมเอาเป็นขณะขณะเลยเพราะว่าจิตเนี่ยมันมันมันเกิดเป็นเรื่องเป็นเรื่องใช่ไหมจิตเนี่ยไม่ใช่เรื่องเดียวตลอดเลยนะมันเป็นเรื่องเรื่องขณะทางตากับทางหูเนี่ยอย่างหนึ่งจิตทางหูกับจิตทางกายก็อย่างหนึ่ง จิตทางกายกับจิตนึกคิดตัวอย่างหนึ่งคนละทวารเลยเรียกว่าผู้ทวาร น, นะคนละทวารเมื่อคนละทวารก็ต้องคนละอารมณ์ทีนี้ในขณะที่เรามีดอกไม้เป็นอารมณ์เนี่ยเป็นกุศลได้อย่างไรเราก็เอาหลักการของเรามาจากกับกอนถ้าเป็นกุศลจิตในขณะนั้นต้องเป็นไปกับทานศีลและภาวนาถ้าเป็นทานนี้ก็คือเจตนาที่คิดจะให้ ขณะนั้นเห็นปุ๊บคิดจะให้นี่เป็นลักษณะของฐานกุศลถ้าเป็นศีลกุศลก็อาจจะให้เหมือนกันแต่ให้ปรากฏในลักษณะบรรพบุบรุษอย่างเงี้ยเป็นลักษณะว่าเป็นประเพณีของเราที่ที่เราเคยทํามาพระแม่ปุยยะตายายตั้งไว้แบบนี้เราต้องทาตามแบบเนี้ยก็เอาไปบูชายอย่างเงี้ยก็เป็นศีลกุศนหรือถ้าหากว่าเป็นภาวนากุศลก็บอกว่าดอกไม้เนี่ยที่มันสดอยู่ได้เพราะอาศัยน้ํา ใช่ไหมเข้าไปหล่อเลี้ยงให้มันชุ่มชื้นอยู่ต่อไปถ้าน้ําเป็นต้นหมดดอกไม้ก็ถึงความเหี่ยวสีอันนี้ก็ต้องแปลสภาพไปแม้แต่ว่าดอกไม้เนี่ยนะขนาดไม่มีใจครองมันยังเหี่ยวฉันได้นะแล้วภายในจะอยู่ได้แล้วใช่ไหมตาของเราจะอยู่สภาพแบบนี้ตลอดไปไหมจิตเห็นจะอยู่ต่อไปตลอดไหมก็เริ่มพิจารณาเหตุผลเหตุปัจจัยต่างๆอันนี้ก็เป็นลักษณะของภาวนากุศล บอกเออความคิดที่ท่านพูดไม่มีเลยถ้าไม่มีแล้วจะเป็นอะไรก็เป็นอากุศลอากุศลก็แบ่งออกเป็นโลภะโทสะและโมหะถ้าเป็นโลภะนั้นน่ะเห็นดอกไม้แบบไหนจึงจะเป็นโลภะเห็นว่าโอ้โหดอกไม้นี่งามมากเลยนะดอกไม้นี่งามมากสีงามมากเลยถ้าได้มาประดับอย่างเงี้ยนะถ้าได้ไปปลูกที่บ้านตักต้นยังไงพวกนี้เป็นโลภะ ถือว่าเป็นสุภนิมิตใส่ใจในความงามของสีแต่ถ้าหากว่าใครมาวางไว้เกะกะหน้าดูเลยอมคานตาอันนี้เป็นโทสะเห็นแล้วก็ไม่สนใจเลยนะแต่ก็เห็นนะแต่ก็เรียกว่าไม่คิดอะไรเลยส่วนใหญ่ก็เป็นอุเบกขานิมิตเพราะฉะนั้นจิตท่านั้นส่วนใหญ่เป็นโมหะแต่ถ้าเห็นแล้วเอไม่ถึงกับชอบไม่ถึงกับชังก็แต่ก็ดูได้ไม่ระคายเคืองตาพวกนั้นเป็น โลพอุเบขาอันก็จะเป็นโลพาประเภทอุเบคาไปไม่ถึงกับโสมนะแต่ถ้าดอกไม้ที่เราประทับใจส่วนใหญ่ก็จะเป็นโสมมันนะแต่ถ้าหากว่าผู้ที่มีความเข้าใจพระธรรมปั๊บเนี่ยนะรู้ว่าเป็นอกุศลและจะแก้คืนได้จะแก้ให้เป็นกุศลได้แล้วถ้าคนที่ศึกษาเรื่องกุศลเข้าใจโอ้โหเราประมาทขนาดนี้ไปเลยเหรอปล่อยให้จิตไปเป็นบาปตั้งหลายชั่วโมงหลายนาทีใช่ไหมก็ พิจารณายังไงบุตรสุจิตจริงจะเกิดเขาเรียกว่ามีโยนิโส น, น้อมนึกถึงพระธรรมสักหมวดหนึ่งหมวดนั้นว่าด้วยอะไรเช่นสติประธานมาเลยสติประธานสูตรกล่าวว่าอย่างไรบ้างพยายามคิดตามคำสอนไปก่อนคำสอนกล่าวว่าอย่างไรอ่าหรือว่าจะคิดแบบแล้วแต่สติมันจะเกิดถ้าใช้คำนี้ถูกไหมสติก็มีอาหารถ้าเราไม่น้อมนึกถึงพระธรรมอย่างไรอย่างหนึ่งเนี้ยสติไม่มีอาหารให้เกิดเพราะสติก็เกิดด้วยปัจจัย การตรึกบ่อยๆการใส่ใจในคำสอนให้มากๆอันนั้นแหละเป็นอาหารของสติที่ยังไม่เกิดก็จะทำให้เกิดขึ้นเพราะั้นถ้าหากว่าเราไม่พยายามตรึกไม่พยายามคิดนะจิตของเราก็ไหลไปกับบาปทีนี้ว่าบาปเหล่านั้นเนี่ยนะตราบที่เราหรือว่ากุศลวิบากยังมีอยู่เราเนึกว่ามันไม่เสียหายอะไรส่วนใหญ่แล้วคนไปเที่ยวสวนดอกไม้นะกำลังพลันเลยนะนึกว่าไม่เสียหาย แต่เขาคิดไหมวันเวลาเนี่ยมันผ่านไปเรื่อยๆๆๆๆก็บอกว่าหมูสัตว์เนี่ยพากันเที่ยวเก็บดอกไม้เพลินยังดูชมสวนดอกไม้ไม่ทันอิ่มตายแล้วแต่ทีนี้ถามมาในช่วงที่เที่ยวชมความงามของดอกไม้เนี่ยนะพอใกล้จะตายปั๊บจะเสียใจทันทีส่วนใหญ่คนจะวิปฏิสนาโอ้ไม่ได้ทําบุญไว้เลยแต่ถ้าตอนที่กําลังชมดอกไม้นี่จะไม่มีความรู้สึกอะไร แต่เวลาใกล้จะจุดติเอาเป็นการเป็นงานเข้าจริงๆเนี่ยรู้แล้วว่าตัวเองเนี่ยประมาทนะที่ผ่านมาใช้ชีวิตประมาทตลอดเขาเรียกว่ามัวแต่เลือกเก็บดอกไม้มาอยู่อั้นสีสันเหล่านั้นนเนี่ยถ้าเราไม่พิจารณาจริงๆเนี่ยสภาพจิตเราก็เศร้าหมองอันถ้าจิตเศร้าหมองเนี่ยไปไหนดีถ้าจิตเราเศร้าหมองเนี่ยนะคนอื่นไม่แช่งมันน่าจะตกนรกแน่นะไปบางประเทศเนี่ยนะเราจะเลี้ยงอาหารใครสักมือหนึ่งไม่ใช่ว่าเขาจะทานให้เราเนะ เขาก็ถือว่าเขาทํางานเองได้เขาเขาไม่ทานของใครนะเพราะอย่าไปคิดว่าจะให้ทานได้ทุกแห่งอะ่ะเม้ยในอินเดียไม่ให้ไม่ผิดหวัง <laughs> แต่ถ้าบางประเทศเนี่ยมันช่ว่าเขาจะรับเอาของเรานะเพราะถ้าหากว่าเราไม่ฝึกในการเจริญมองอะไรให้มันเป็นกุศลนะเราศึกษาคําสอนเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากขอธรรมมาบอกว่าน่าสงสารตัวเองเลยนะถ้าหากว่าเรามองเห็นอะไรแล้วคิดเป็นกุศลไม่ได้เนี่ยเราเนี่ยน่าสงสารที่สุดเลย เหมือนกับคนที่อยู่กับโรงยานะได้แต่กลิ่นยาแต่ว่าไม่ได้กินยาเลยจนพอก็คืออโยนิโสมันนสิการไม่เป็นก็คือเขาพูดบอกว่าเอาพระธรรมมาใช้ไม่เป็นเจนพอไม่มีโยนิโสก็คือไม่รู้จักใช้พระธรรมที่ศึกษามานั่นเองเพราะฉนั้นโยนิโสอาศัยอาหารคือการฟังพระสัทธรรมเป็นต้นนั่นเองอันถ้าฟังธรรมแล้วเอ้ยฟังเมื่อสิบวันก่อนเสร็จแล้วอยู่ๆมันโผล่ขึ้นมาเองกุศลโผล่ขึ้นมาเอง อันนี้ไม่ใช่ต้องน้อมน้อมบ่อยๆแล้วกุศลจึงจะเกิดแต่ถ้าฝึกน้อมจนชำนาญ น, นี่แทบไม่ต้องนึกเลยนะมันจะไปเป็นช่องเป็นช่องขอให้ฝึกอันความคิดเราแล้วแต่เราจะน้อมไปน้อมไปเพื่ออะไรอย่างอย่างพระผู้มีพระภาคเนี่ยก็ได้ยินนะถ้าใครอ่านพวกปุเพนิวาสานุสติยานหรือจ an ุตูปปาตยานต่างๆเมื่อจิตอาได้ชานสีบจิตเนี่ยอ่อนควรแกการงานเลีน้อมใจเพื่อ ปุเพตนี่ว่าสยานนะน้อมไปเพื่อขันที่เคยมีอยู่ในการก่อนต้องน้อมไปนะนะ้ยอยู่เทื่อๆ อ, อย่างนั้นมันก็อยู่อย่างนั้นแหละจิตเราแล้วแต่เราจะน้อมให้เป็นอะไรก็ได้ถ้าผู้ที่ฉลาดเขาก็น้อมไปเพื่อกุศลธรรมน้อมไปเพื่อการพิจารณาเพราะว่าถ้าเป็นกุศลธรรมดาใช่ไหมกรรมดําให้ผลเป็นเป็นทุกข์กรรมขาวให้ผลเป็นสุขใช่ไหมกรรมทั้งดําทั้งขาวคะเคล้ า, า, ากันไปก็ บางท่านก็บอกว่าทั้งหวานและขมขื่นอย่างนั้นสลับกันแต่ถ้าหากว่ากรรมชนิดหนึ่งที่เป็นไปเพื่อสิน้นกรรมก็คือการพิจารณาเจริญสติปัฏฐานหรืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปอริยมรรคเกิดได้อย่างไรมองเห็นหรอกไหมอริยมรรคถ้าจะเกิดเกิดได้อย่างไรนะถ้าหากว่าถ้าเราเข้าใจเรื่องมัชฌิมาปฏิปทาจริงๆต้องตอบได้ผู้ ส, สนับขึ้นต้นสู่แรกเลยนะปฏิเสธการมมัศ ข, ขันธ์ละกาโนโยก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 นะชื่น<อ>ชม ท, ทั้งโน้นโอ้ยงามจริงๆเลยดอกไม้อันเนี้ยนะนี่ไม่ใช่มัชิมาอันนี้ไม่ใช่มัชิม า, นนมมมาแต่ถ้าเป็นอาตาบอกเห็นแล้วกิเลสมันเกิดต้องลับตาแกรงไว้บีตาให้มันแน่นอย่าไปคิดถึงมันคือคือในลักษณะที่ไปกดทำให้วิบากและกวามัชรุปมันทรมานให้อกุศลารวิบากมันเกิดขึ้นใช่ไหมสมมติถ้ามองเห็นดอกไม้ปั๊บนี้เอาอะไรมาขูตาเลย มันเจ็บให้มันปวดจะไปต้นใจมันลักษณะนั้นเป็นลักษณะของอัตากิรามาฐานุโยกสมัยพุทธกาลนี่นะฮที่เขาสแสวงหาความบริสุทธิ์แบบนั้นมีอยู่มีจอย่างเช่นนะะในสำนักของชดินสามพี่น้องเนี่ยเขาสอนลูกศิษย์เขาถ้าใครมีกามวิตกไปขนทรายไปขนทรายมากองเสร็จแล้วก็ไปอาบน้ำอาบน้ำเสร็จแล้วมาผิงไฟ ใครมีพยาบาทที่ตกก็ทําแบบเนี้ยโอ้ยสายเนี่ยกองพเงนนพเนนทึกเลยเพราะทุกคนเนี้ยจะต้องขึ้นไปขนสายทรมานอะ่ะไม่ให้จิตมันเป็นแบบนั้น อ, ะอ่ะอ่าบางคนนะขอภัยเขาบอกว่าถ้ากิเลสเกิดแบบลักษณะกิเลสแบบจับหยาบเกิดนะเขาบอกว่าหาอะไรมาถ่วงหาอะไรมามาแบบเป็นหนักหน่อยมาทวงอะ่ะคิดว่าจะได้ลดกิเลสไอ้พวกนั้นเป็นลักษณะของอัตตกิริมาถานุโย แต่มัชฌิมาปฏิปธามไม่เอียงในโลภะและไม่สุดโต่งไปในโทสะแต่เป็นข้อปฏิบัติเพื่อให้เกิดจักสุเกิดปัญญาเกิดความรู้ขึ้นถ้าความรู้ขึ้นเนี่ยอย่างสมมตินะกรรมสกตาจะเกิดได้อย่างไรอย่างน้อยที่สุดว่าการเอาดอกไม้บูชาในในวัตถุที่ควรบูชามีพระพุทธเจ้าเป็นต้นเนี่ยการบูชานั้นมีผลใช่ไหม การบูชานั้นมีผลนี้ก็เป็นมัชิมาแต่ว่ายังไม่ถึงกับมัชิมาแบบบริบูรณนะ์นักการรักษาศีลเนี่ยนะการที่บุคคลไม่ปล่อยจิตให้ไหลไปในในสิ่งเหล่านี้ให้อกุศ ล, ลจิตมันไหลไปสังวรจกักขุนศีไม่ให้อกุศนมันเกิดนี้ก็มีผลอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของศีลอคุสลก็จะเกิดขึ้นถ้าเป็นลักษณะของภาวนากุศล นะอาจจะเจริญกสิณเจริญอะไรต่อไปนะในชั้นของสมถาภาวนาแต่ถ้าในชั้นของวิปัสสนาภาวนาปั๊บเนี่ยสงเคราะห์ความจริงอันนี้โดยขันธาตุอายตนะสัจจะและอินทรีย์อย่างใดอย่างหนึ่งเคยที่ธรรมากล่าวอย่างนี้เพราะไม่อยากปรุงสูตสําเร็จให้ใครว่าจะเอาอย่างนี้เท่านั้นนะไม่ได้เพราะว่าคําสอนพระองค์กล่าวไว้กว้างเราก็พยายามกล่าวตามาอย่าลืมว่าของธรรมาเนี่ยไม่ลืมนะเพราะว่าคำสอนที่เอามาพูดเนี่ยเป็นของพระพุทธเจ้า ต้องไม่เอาอัธยาศัยของเรามาว่าพยายามที่จะกล่าวตามท่านให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นี่คือสมมุติถ้าดอกไม้เนี่เป็นรูปารมีใช่ไหมดังนั้นเป็นอายตนะภายนอกโดยอายตนะเป็นรูปปายตนะโดยธาตุเป็นรูปประธาตุใช่ไหมโดยขันเป็นเป็นรูปประขันขันเหล่านี้เนี่ยนะที่เป็นรูปรูปอันนี้เนี่ย เขาบอกว่าถ้ารูปประคันรูปมีทั้งหมด28ดอกไม้เป็นได้กี่รูปเป็นได้กี่รูปเป็นได้แปดรูปคืออวินิพกครูปแปดใช่ไหมถ้ า, าวินิพกครูปแปดถ้ารู้ทางตาเรียกว่ารูปอารมณ์หรือสีใช่ไหมถ้าดมก็เป็นคันธารมณ์เป็นกลิ่นจิตที่ไปมีดอกไม้นี่เป็นอารมณ์เนี่ยเป็นได้กี่ดวงวิญญาณนัขขันเขาบอกว่าถ้ารู้จักรูปประคันจริงๆจะต้องรู้จักนามประคันด้วย แล้วท่านี้เป็นรูปารมณ์จิตที่ไปคิดเรื่องนี้เป็นได้กี่ดวงใช่ไหมเช่นธาทางตาเลยนะจักขูวิญญาณสามารถที่จะมีสีเป็นอารมณ์ได้สัมปติชนะจิตสันติรณจิตโวธาพนาจิตชวนะจิตความคิดนึกต่างๆเกี่ยวกับดอกไม้แล้วในจิตเหล่านี้เนี่ยเป็นได้กี่อย่างถ้าชาวนาจิตที่มีดอกไม้เป็นอารมณ์เป็นกุศลได้ไหมเป็นอกุศลได้ไหม ถ้าเป็นอกุศลเป็นได้อย่างไรถ้าเป็นกุศลเป็นได้อย่างไรถามว่าข้อความนี้ว่าเอาเองใช่ไหมบอกไม่ใช่คาสอนในอยัยตนะบพสติปัฏฐานสูตรกล่าวว่าเพิ่งรู้จักจักสุเพึ่งรู้จักรูปเพึ่งรู้จักสังโยชน์ที่อาศัยตากับรูปสังโยชน์ที่ยังไม่เกิดจะเกิดด้วยประการใดรู้ชัดประการนั้นด้วยถ้าสังโยชน์มันมันเกิดก็รู้นะว่ามันเกิด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 มันต้องเอาให้ครบสูตรสูตรว่าไว้อย่างไรคือที่เจริญไม่ได้เนี่ยส่วนต้นเลยก็คือไม่ได้ตําหนินเพียงแต่ ว, ว่าหนึ่งทำมังสรนังค่าฉามีเราอ่อนไปที่ว่าทำมังสารนังค่าฉามีเนี่ยอ่อนเพราะว่าเราจําไม่ได้เลยว่าพระธรรมเรากล่าวไว้ยังไงบ้างก็เหมือนกับที่นึกเพียงว่ายงพ่อกใช้ให้ไปซื้อของอย่างเงี้ยเราก็เดินเล่นไปซื้ออะไรวะเนี่ยเดินเล่นไปครึ่งทางแล้วนะได้เกือบกิโลหนึ่งแล้วอ่ะ นึกไม่ได้ยพ่อเราใชใ้ไปซื้ออะไรวะเนี่ยกลับไปถามใหม่เดินนะีหน้ามืดเลยเหมือนการพิจารณาพระธรรมเหมือนกั น, เ, น, กนเราจําคําสอนไม่ได้เมื่อจําคําสอนไม่ได้ทําตามไม่ถูกแน่นอนทําตามไม่ถูกแน่นอนเพราะว่าการเจริญในลักษณะการพิจรารณาธรรมะเนี่ยถ้าปฏิบัติธรรมทางตานเนี่ยนะก็บอกทวารมีหกใช่ไหมตาหูจมูกลิ้นกายใจยถ้าปฏิบัติธรรมทางทวารตานี่จะทํำยังไงจะให้ตาหลับตา งั้นคนที่หลับตาตลอดก็เป็นกุศลตลอดใช่ไหมถ้าลืมตาลืมตายังไงยังจะเป็นกุศลเพราะฉะนั้นเราศึกษาเนี่ยเรื่องกรรมเพื่อให้รู้ว่าอะไรเป็นกุศลและอ่ากุศลแต่ถ้าเอาในชั้นแบบยากหน่อยก็เอาเป็นลักษณะที่ล่วงกรรมอ่ะนะคือร่วงกรรมไม่คิดจะลักขโมยเนี่ยก็ใช้ได้และอันนั้นเป็นความดีระดับหนึ่งแต่ความดีในระดับนั้นความดีนั้นให้ผลเป็นสุขจริงแต่ผลแห่งความดีนั้นก็หมดไป อาจจะคิดให้เป็นกุศลก็คิดเอาดอกไม้ไปบูชาพระซก็ได้บุญละถ้าคิดอย่างนี้มันก็มันก็ไม่ยากใช่ไมัมไอ้ น, นั่นเป็นที่เรียกว่าอันนี้ไม่ต้องศึกษามากนะก็รอกจนพอแต่เป็นกุศลที่เป็นไปประเภทวาตะถึงบอกโออเอาดอกไม้ไปบูชาพระแล้วตั้งความปรารถนาว่าอุ้ยสาธุอนาคตการขอให้ขพเจ้าได้มีโอกาสรู้แจ้งเห็นจริงพระธรรมคำําสอนังเอตั้งความปรารถนาเสร็จแล้วก็ เอาเวลาไปคิดเรื่องอื่นก็คือปั้งความปารธนาเพื่อมาเรียนรู้เรื่องนี้แหละไปเจอพระพุทธเจ้าองค์ข้างหน้าเพื่อที่จะมาฟังแล้ววิจัยเรื่องนี้วิจัยเรื่องตาเรื่องสีเรื่องจิตเห็นเรื่องขัตสะเวทนาเป็นต้นถ้าหากว่าเราเข้าใจดีๆนะเห็นนี่แล้วเป็นกรรมได้อย่างไรเห็นอย่างนี้เป็นผลของกรรมได้อย่างไรถ้าหากว่าเราไม่เข้าใจปั๊บจะเบื่อหน่ายในสังสาระอันนี้ได้อย่างไรถ้าจะถอนถอนได้อย่างไร จะถอนบาปถอนอากุศลได้อย่างไรหรืออีกในหนึ่งคิดอีกในหนึ่งเป็นอริยสัจได้อย่างไรเนี่ยคําสอนของพระผู้มีพระภาคกล่าวถึงเรื่องของอริยสัจเราเห็นดอกไม้เป็นอริยสัจอะไรเป็นทุกข์อริยสัจเป็นสมุทัยอริยสัจเป็นนิโรธอริยสัจเป็นนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจแล้วเป็นอริยสัจข้อไหนแล้วในอริยสัจนั้นมีกิจควรปฏิบัติอย่างไร ค, คือเรื่องพวกนี้ค่อนข้างจะ ต้องใช้คําว่าจําเลยแหละเพราะสาวกใช่ไหมสาวกคือผู้ฟังฟังและจําไม่ได้เขาจะเรียกคนฟังไหมดังนั้นเรื่องความจําเนี่ยมีมีความสําคัญค่อนข้างมากเธอถ้าหากว่าเห็นเป็นสาระจริงๆเดี๋ยวก็จําได้เธอถ้าหากว่าเรานับถือพระิกรรมเป็นศาสนะจริงๆแล้วเราก็จะค่อย ๆ, ๆจาแล้วจำํำภาพเราจะความรู้อันนี้จะเริ่มเป็นของเรามากขึ้นเป็นสมมาทิฏฐิมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นอสมมาทิฏฐิที่เกิดขึ้นนี่ เป็นสัมมาทิฏฐิ ท, ที่เป็นอุปนิสัยเพื่อกุศลชั้นสูงๆต่อไปแต่ถ้าเราไม่ไม่คิดวิจัยลักษณะนี้เลยนะขอามาดูท่าแล้วน่าจะอีกนานน่าจะอีกนานไปเถอะไปเพื่อที่จะมาเข้าใจเรื่องนี้อนั่นแหละ <c oughs> คือที่กล่าวเนี่ยนะ <c oughs> เพียงเพื่อให้เราเห็นตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างสีนี่มีแค่ดอกไม้อันเดียวใช่ไหมโลกเนี่ยลืมตาตั้งแต่เชา้ามาจนเย็นเนี่ยเราเห็นแค่ดอกไม้อันนี้อันเดียวไหมในทุกอารมณ์นั้นนั้นเนี่ยเราจะพิจารณาได้อย่างไร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 สังขาร น, นนั้นเนี่ยถูกปรุงอย่างมากมายจึงจะจึงจะเกิดขึ้นได้อันสิ่งที่ถูกปรุงแต่งเกิดขึ้นนะถ้าอาหารไหนที่ปรุงอร่อยราคาแพงถ้าปรุงห่วยที่ตัวถูกที่สุดถ้าบูดแล้วก็ถูกมากขนาดอาหารเนี่ยอย่างราคาแพงในกุศลจิตก็เหมือนกันแม้แต่เพชรเนี่ยก็ถูกปรุงแต่งนะมากว่าจะไปเป็นเพชรขนาดนั้นถ้าเพชรใหญ่มากดีมากก็แพงมากถ้ากรวดนี่ก็ถูกแต่ก็มีราคานะแต่ก็ถูกหน่อย ชั้นในกุศลจิตก็เหมือนกันถ้ากุศลชั้นสูงเลยเนี่ยจะต้องราคาของเขาจะต้องมากกุศลเหล่านี้จะต้องมีอุปนิสัยที่ค่อนข้างมากอันถ้าถ้าพูดอีกในหนึ่งนะถ้ากุศลจิตเหล่านี้เนี่ยกุศลธรรมดาต้องเกิดเป็นสักแสนโกดครั้งอริยมรรคจึงจะเกิดได้เนี่ยเราพิจารณาวันละครั้งสองครั้งเนี่ยโอ้โหเมื่อไหร่นั้นทีนี้พูดอีกในหนึ่งบางคนบอกว่าเออไม่เป็นไรชั้นจะไปปฏิบัติเอาชาติหน้า ไอชาตเทวานี่มันชาติไหนแน่ใจนะว่าจะมีคําสอนให้ใใหให้้ได้คิดแบบนี้อีกเพราะจะมีคําสอนเรื่องอริยศาสตร์ได้นั้นต่อเมื่อมีพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองแล้วเราแน่ใจขนาดไหนว่าเราจะต้องเกิดทันพระพุทธเจ้าแล้วได้มาเจริญกุศลประเภทรู้อริยศาสตร์อีก <laughs> แค่ชาตินี้เราก็ดูตัวอย่างดูสิห่างตั้งสองพันกว่าปีแล้วอ่ะ เธอเรื่องนี้จริงๆนะถ้าเป็นพระสมัยก่อนนะท่านพิจารณาของท่านอยู่ทั้งวันทั้งเว้นแต่หลับท่านคิดเรื่องนี้นะท่านวิจัยเว้นแต่หลับจริงๆตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยถ้าจะพูดแบบตำนวนเนี่ยจะมีอะไรนักหนาแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็คือเอาพระไตรปิฎกสงเคราะห์ลงมาวิจัยอันนี้อาศัยคําสอนของพระผู้มีพระภาคแล้ววิจัยเพราะไม่งั้นเนี่ยน ะ, ะคําสอนเรื่องอริยสัจนะปัญญาก็เพื่อละโมหะละความไม่รู้เลย ก็เจริญกุศลจนกว่าความรู้จะเกิดขึ้นแต่ถ้าหากว่าเราเข้าใจสูตรนะ ค, ค่อยคิดตามปั๊บเนี่ยไม่ยากนะทีนี้นี่อาศัยตัวอย่างภายนอกถ้าตัวอย่างภายในที่จริงแล้วพระองค์เน้นที่ภายในเป็นส่วนมากเน้นที่อะไรที่ใช้คำว่าตาหูจมูกลิ้นกายกายคือผมกายคือขนกายคือเล็บ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 ลาตุไฟที่เกิดขึ้นในคราวเป็นไข่ลมพัดขึ้นเบื้องบนน่ะนะลมพัดลงเบื้องต่ำลงในท้องในลำไส้ลมหายใจเข้าออกแล้วก็ลมที่พัดทั่วสารพางกายที่ทำให้อิรยาบทหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันไปพวกนี้จะต้องวิจัยหมดโดยสมุดฐานทั้งหมดเนี่ยนะแล้วสงข้อลงสมุดฐานทั้งสี่ประการคือโดยกรรมจิตอุตุและอาหาร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 บอกผู้ที่อบรมกายยคตาสติมากใครว่าใกล้อะใกล้นิพานมากกายยคตาสติเนี่ยเป็นสูตรที่พระองค์ทรงยกย่องมากจริงๆเลยกายยคตาสติสูตรเนี้่ยก็ยกย่องมากหรือว่าในเอกานิบาตก็ยกย่องมากจริงๆอันวัน ว, นวนหนึ่งเนี่ยใช้เวลาตรึกเรื่องตัวเองมากๆเรื่องผมคนเล็บเรื่องของเรานี่แหละไม่เอาเรื่องของอื่นมาตรึกก็ได้ถ้าตรึกมากๆขึ้นอันนี้เป็นลักษณะของ เนคข ม, มาวิตกเนคข ม, มาวิตกก็จะเกิดขึ้นมากๆเธอไหนๆเราก็คิดอยู่แล้วเพราะเรื่องบางเรื่องที่เราคิดบางปีมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับเกี่ยวกับชีวิตอะไรของเรานรักหรอกก็ใช้เวลาที่เหลือมาคิดเรื่องราวเหล่านี้ก็จะเกิดประโยชน์มากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันนะามมากรรมสกตาก็ต้องมั่นคงหน่อยถ้าเราปล่อยความคิดเราถ้าเราไม่อบรมความคิดนะคติของผู้ที่ไม่อบรมจิตพบได้ใช่ไหม ก็ต้องถามเรื่องเหตุเรื่องผลกับมัศกตาก็ต้องมั่นคงหน่อยเจนพอพันเรื่องราวเหล่านี้นะถ้าตรึกระยะหนึ่งนะสมมตินะอย่างเช่นยกตัวอย่างว่าเราคิดเรื่องไหน่นะคิดเรื่องบนศีรษะของเราเนี่ยผมมันก็ไม่รู้นะว่ามันงอกอยู่บนศีรษะศีรษะก็ไม่รู้ว่ามีผมงอกอยู่ข้างบนนะไล่มาจนถึงผิวหนังแต่และอย่างแต่และส่วนแต่และส่วนเนี่ยนะแม้กระทั่งขนคิ้วก็ไม่รู้ว่ามันงอกติดผิวหนังผิวหนังก็ไม่รู้ว่ามีคิ้วงอกออกมา ทวารแต่และส่วนไล่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆตึกอย่างนี้เยอะๆเยอะๆขึ้นอในในในในสรีระของเรามีตาด้วยใช่ไหมตามันก็ไม่รู้นะว่ามันเห็นสีสีมันก็ไม่รู้ว่าถูกตาเห็นต่างฝ่ายต่างไม่รู้เลยนะเสียงที่มันดงังดังเนี่ยเสียงมันก็ไม่รู้ว่าถูกได้ยินหูที่ที่รับเสียงมันก็ไม่รู้ว่ามันรับเสียงใช่ไหมจมูกก็เหมือนกันทวาลลิ้นก็เหมือนกันเวลาเคี้ยวอาหารเนี่ยนะฟันมันก็ไม่รู้ว่ามันบดอาหารอาหารก็ไม่รู้ว่าถูกบดอย่างเงี้ย ต่างฝ่ายต่างไม่รู้ซึ่งกันและกันตรึกเรื่องพวกนี้ค่อนข้างเยอะแล้วเอาความรู้นี้สงเคราะห์ลงขันาาธนาตุยตนะลงไปสงเคราะห์ปัจจัยลงไปมันก็เป็นความรู้ซึ่งสามารถเกิดสืบเนื่องได้พวกนี้เป็นเทวนากุศลผู้ใดที่มีความสามารถในการตรึกบ่อยๆแต่เพราะมาเชื่อนะถ้าใครสามารถตรึกได้ยาวคนนั้นเนี่ยจะได้รับความพิเศษจริงๆนะเพราะว่าธรรมะนี่ควรต่อการเพ่ง ธรรมะที่ควรระว่าการเพ่งครับพิจารณาบ่อยๆจะทําให้เกิดปีติเกิดปัสสัตที่เกิดสุขเกิดสมาธิด้วยในขณะนั้นนั้นจะได้รับความสุขและความสุขอันนี้พระพุทธเจ้าสอนให้เจริญพระองค์บอกว่าไม่ควรกลัวต่อสุขที่เกิดจากเนคขมมะแล้วก็ว่าจะสบายใจถ้าตรึกบ่อยๆนี่จะสบายใจจะมีความสุขอย่างหนึ่งเหมือนกันเป็นความสุขซึ่งไม่ใช่ความสุขเกิดจากการได้ได้รับประทานอาหารอร่อยๆความสุขอาจจะคล้ายคลึงกันแต่เป็นความสุข ที่เกิดจากการพิจารณาจะรู้ว่าเออสุขแบบนี้ไม่มีโทษจะเริ่มเห็นคุณค่าของการเจริญกุศลมากขึ้นทีนี้ถ้าวิจัยได้บ่อยๆมากขึ้นนะมันก็จะวิจัยเรื่องอื่นๆต่อไปด้วยเชื่อไหมถ้าเราคิดเรื่องตัวเรามากนะพระไตรปิฎกจะพูดแต่เรื่องตัวเราถ้าเราคิดแต่เรื่องคนอื่นมากพระไตรปิฎกก็จะพูดแต่เรื่องคนอื่นคําสอนพุทธเจ้ามีความพิเศษมากแล้วแต่เราจะคิดเรื่องอะไรคําสอนจะไปอยู่ในเรื่องนั้นด้วยเพราะคําสอนเนี่ย เป็นคำสอนที่เกิดจากปฏิสัมพิธาเนี่ยรอบหมดเลยแต่ถ้าจะให้เจริญคำสอนนั้นเพื่อความพ้นทุกข์ก็ต้องน้อมคำสอนมาเพื่อการพิจารณามากๆทีนี้ถ้ายัางลงในนี้ในใ น, ในกายเราได้มากขึ้นปั๊บเนี่ยนะจะเริ่มรู้จักผัสสะจะเริ่มรู้จักเวทนาเพราะเวทนามันเกิดเกิดข้างในใช่ไหมอย่างอย่างในปฏิจจสมุปบาทนะองค์สิบสองเนี่ยนะทายนอกมีอยู่กลุ่มเดียวคือสลายยตะนะ อายตนาภายนอกที่เหลือกล่าวภายในหมดเลยภายในตัวเราหมดเลยอย่างเช่นภาษะภาษะเนี่ยนะภาษาทางหูจะเป็นยังไงภาษานี้เกิดจากอะไรก่อนภาษาเกิดจากความประชุมของธรรมะสามอย่างหูเสียงโสตาวิญญาณภาษาจึนเกิดอันที่เราได้ยินเสียงแต่ละคำที่เรียกว่าภาษานั่น่ะอาศัยองค์ประชุมเนะี่ยอันเราท้องห้างตรึกบ่อยๆลักษณะาธาตุก็ได้หูมันก็ไม่รู้ว่า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 นี้ถ้าวิจัยไปมากๆขึ้นจะเห็นว่าวิญญาณที่ได้ยินเสียงถัดสะเวทนาพวกนี้เป็นชาติวิบากพอได้ยินพับความรู้สึกนึกคิดทํากันใหม่แล้วก็จะเริ่มมองเห็นชีวิตในอดีตซึ่งเราเคยได้ยินเสียงมันก็โดยเพศปัจจัยแบบนี้ในอนาคตถ้าจะมีหูเพื่อได้ยินเสียงก็จะเป็นแบบนี้ชาติไหนพบใดก็ตามไปเกิดเป็นเทวดาก็เพื่อได้ยินเสียงเพียงแต่เสียงมันดีกว่านี้อีกหน่อยเท่านั้นเองก็ก็มีพบผูกก็เป็นไปอยู่อย่างนี้ แต่และอย่างมีความถาวรไหมหูนี่มั่นคงไหมหูก็ไม่มั่นคงนะมันมันงอนแง่นน่าดูเลยนะ <c oughs> มันงอนแง่น <c oughs> แล้วตัวมันเองเนี่ยเกิดด้วยปัจจัยสิ่งใดก็ตามที่เกิดด้วยปัจจัยอ่ะสิ่งนั้นอ่ะสาระคือนิจจสาระในตัวมันไม่มีสุขาสาระไม่มีสุภาษสาระก็ไม่มีอัตาสาระก็ไม่มีเกิดด้วยปัจจัยถ้าปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งวิบัติ หูก็วิบัติได้ในกายส่วนใดส่วนหนึ่งก็เหมือนกันถ้าอาหารมีปัญหาแต่ละส่วนนี่ก็มีปัญหาแล้วนะถ้าจิตมีปัญหาส่วนกายนั้นนั้นก็มีปัญหาอีกจะวิบัติเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยจึงเป็นของที่น่ารังเกียจเป็นของที่น่าเบื่อหน่ายถ้าปัญญาเราอ บ, บรมเจริญตามเห็นโดยความไม่เที่ยงเป็นต้นมากๆก็เป็นอนุปัสนาแปลว่ากายเยกายานุปัสสีอนุปัสสีตรงนั้นก็คืออนุปัสนาตามเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยง ถ้าอนุปัสสนาเกิดมากๆเกิดบ่อยๆนะแล้วก็จะทำให้เกิดประเภทนิพพิธาอนุปัสสนาที่ที่ว่านะสัพเพสังขาราอนิจจติเมื่อใดบุคคลเห็นสังขารว่าไม่เที่ยงนะสัพเพสังขารานิจจติยะถ้าปัญญายะปัสสติอธานิพิน ต, ติดุเขสัมมโควิสุทธิยาเมื่อใดบุคคลตามเห็นสังขารโดยความเป็นของไม่เที่ยงเมื่อนั้นเขาจะเหนื่อยหน่ายในวัตทุ ในสิ่งที่ตนหลงอะนะความเหนื่อยหน่ายนะหรือเบื่อหน่ายหรือนิพิธาเนี่ยนั่นแหละเป็นทางแห่งความหมดจดนั่นแหละเป็นทางแห่งพระนิพพานอันตัวปัญญากุศลที่พัฒนามากๆขึ้นกุศลอันนั้นแหละเป็นทางแห่งความบริสุทธิ์หมดจดเรียกว่าเป็นกุศลที่เป็นไปเพื่อ ย, ยกตนเป็นกุศลประเภทขึ้นบกไม่ใช่กุศลประเภทเดินทวนน้ําไปเฉยๆแต่ขึ้นบกทีนี้พอขึ้นบกปุ๊บเนี่ยฉลามร้ายปลาร้าย อะไรต่างๆที่มันอยู่ในน้ำที่เกิดจากโอคาโยคาเนี่ยไม่มีแล้วถ้าขึ้นฝั่งได้ก็สบายแล้ว